3. ถ้าเรารู้สึกตัวอยู่กิเลสจะเข้ามาที่ใจไม่ได้วงเล็บเปิดยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้า้อยห้าสิบจุดจุดนาทียี่สิบสี่วงเล็บปิดมีแต่การได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะแล้วหัดมาสังเกตจิตใจตัวเองเรื่อยๆมาคอยรู้เท่าทันใจของเราเราจะรู้เลยว่าถ้ากิเลสมาเมื่อไหร่นะใจจะดิ้นรนเมื่อใจดิ้นรนใจจะมีความทุกข์เกิดขึ้น ถ้าสติเราว่องไวกิเลสไหลามาแวบสติรู้ทันวับนะกิเลสจะดับวับลงไปเลยจิตใจจะไม่ดิ้นรนต่อความทุกข์ทางใจก็จะไม่เกิดขึ้นนี่ธรรมะเบื้องต้นนะบางคนบอกเบื้องต้นก็ยากแล้วเบื้องปลายนะต้องไม่ยึดถือจิตใจอีกทีหนึ่งอันนี้คล้ายๆเรามีสติคอยรักษาจิตใจเอาไว้ไม่ให้กิเลสครอบงำเราก็จะมีความสุขดังนั้นคอยรู้ทันใจของเราเรื่อยๆกิเลสไหลามาแล้วคอยรู้นะ หลวงพ่อชาหรือใครนแต่งกิเลสไหลมากิเลสไหลไปกิเลสโจนมากิเลสโจนไปหลวงพ่อชาหรือหลวงพ่อเทียนไม่รู้จําไม่ได้แล้วมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งแต่งไว้ทีนี้กิเลสจะมาได้ตอนไหนกิเลสมาได้ตอนเผลอกิเลสไม่มาตอนที่รู้สึกตัวแต่กิเลสจะมาตอนเผลอตอนใจลอยกิเลสเหมือนผีนะอยู่ในที่แจ้งแจ้งที่สว่างสว่างไม่กล้าหลอกที่พเพล้บเพลเพล้บนะหลอกง่ายความจริงผีไม่ได้หลอกหรอก กิเลสหลอกอีกนั่นแหละพอมันมืดมืดแล้วมันกลัวเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกตัวอยู่กิเลสจะเข้ามาที่ใจไม่ได้ถ้าขาดสติหรือลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจเมื่อใดกิเลสจะแอบแฝงเข้ามาในใจเรากิเลสเมื่อเข้ามาสู่ใจแล้วไม่มาเฉยเฉยจะมากระตุ้นมาเร่งเราให้จิตใจนี้เกิดการดิ้นรนขึ้นมาจิตใจจะดิ้นรนไป อย่างความรักเกิดขึ้นใช่ไหมจิตใจเราจะดิ้นรนอยากไปหาคนที่เรารักสมัยวัยรุ่นโรแมนติกมากสมัยโบราณไม่มีนะ SMS ไม่มีสมัยโบราณเขาจะบอกเลยว่าไม่เห็นหน้านะเห็นหลังคาบ้านก็ยังดีถ้าเดี๋ยนี้ส่งเมเซจในวงเล็บข้อความกันใช่ไหมพอความรักเกิดขึ้นก็อยู่บ้านไม่ได้แล้วจิตใจเร่าร้อนตะเกียกตะกายไปพอความโกรธเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่มีความสุขทุรนทุรายขึ้นมา ใจิตใจเราถูกกิเลสทำร้ายตลอดเวลากิเลสมันทำร้ายเราได้ตอนเราเผลอนี่แหละหน้าที่ของเราต้องหัดรู้สึกตัวบ่อยๆถ้าเรียนกับหลวงพ่อนะเราจะรู้สึกตัวได้มากขึ้นมากขึ้นถึงจุดหนึ่งเราจะรู้สึกตัวถี่ยิบเลยกระทั่งนอนหลับอยู่นะกิเลสแรงๆเกิดขึ้นในใจสติยังทำงานได้เลยหรือนอนหลับอยู่เกิดฝันน่ากลัวขึ้นมาสติทำงานวับเลย รู้สึกขึ้นมาทันทีเลยความฝันที่น่ากลัวดับสลายทันทีเลยนี่ขนาดยังไม่ได้โสดานะมีคนทําได้อย่างนี้เยอะนะค่อยๆภาคเพียรตั้งอกตั้งใจฟังไปฟังเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งสติจะเกิดฟังธรรมะของหลวงพ่อไม่ต้องคิดมากนะธรรมะของหลวงพ่อเราถ่ายทอดกันด้วยใจวันนี้ยังไม่เข้าใจคํานี้ก็ไม่เป็นไรหรอกเปิดใจฟังนะทําใจให้สบายเปิดใจฟังฟังถึงจุดหนึ่งสติจะเกิดขึ้นเองทําไมมันเกิดได้ ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรเพราะว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดก็เป็นเรื่องของสภาวธรรมล้วนๆ ว, วันใดที่จิตเราไปเห็นสภาวธรรมได้สติมันจะเกิดเอง